จะแผ่เมตตาให้กับสัตว์ก็อย่าลืมแผ่เมตตาให้กับผู้ที่ประสบขคอาะกรรมในเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศในปานด้วยวันนี้ก็ครบหนึ่งอาทิตย์พอดีนะที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะพวกเราคงจะทราบกันดีว่ามีผู้คนล้มตายหลายพันคนบาดเจ็บอีกมากแล้วก็พัฒทนาคาที่อยู่ก็คงจะเป็นแสนเป็นล้าน การอย่าง น, นี้เนี่ยถ้าเราวางใจให้ถูกนะมันก็เป็นกุศลนะก็คือว่ารับรู้ความทุกข์ของเขาด้วยใจของเรามันจะก็จะเกิดความกรุณาขึ้นความกรุณาคือความปรารถนาอยากจะให้เขาพ้นทุกข์ซึ่งเราก็อันเดอกับเมตตาเมตตาคือความปรารถนาอยากจะให้เขามีความสุขมเมื่อเขาพ้นทุกข์แล้วเราก็รับรู้ถึงความทุกข์ของเขาจาิตใจเราก็จะอ่อนโยนนะ แล้วก็ทำให้เราปรารถนาที่จะทำความดีเช่นการให้ทานช่วยสงเคราะห์ข้าวปลาอาหารเงินทองนะเพื่อช่วยเหลือเขาแต่ถ้าระวังใจงไม่เป็นนะมันก็เกิดผลเสียได้เหมือนกันเช่นไปไปมองว่าเนี่ยที่เขาประสบเคราะห์ก็เพราะว่าไปทำกรรมไม่ดีเอาไว้ความคิดแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไปซ้ำเติมผู้เคาะร้าย ถ้าเขารู้นะก็จะมีความขุนเคืองใจมากขึ้นและขณะเดียวกันมันก็ไปทำให้เราเกิดความาศาสใจปิดกั้นความเมตตากรุณาไม่ให้เกิดขึ้นในใจของเราได้ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะมีข้อเขียนนะจำนวนไม่น้อยแพร่ใน Facebook ในอินเทอร์เน็ตนะว่าที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวกับชาวเนปาล น, นี่ก็เพราะว่า เมื่อห้าเดินก่อนมันมีการบูชายันครั้งใหญ่นะจัดขึ้นทุกห้าปีมีการฆ่าสัตว์เป็นจำนวนถึงห้าแสนตัวนะเลื่อนนองแผ่นดินก็เลยทำให้เกิดเหตุวิะโยคนี้ขึ้นแล้วก็มีการพูดถึงขั้นว่านเนี่ยสิ่งก่อสร้างต่างๆพังทลายนะแต่ว่าวัดพุทธวัดไทยหรือว่าพระพุทธรูปนะไม่ไม่เสื่อมสลายนะ ไม่พังทลายไปด้วยมีการถ่ายรูปนะพาพุทธรูปนะที่ว่ายังคงอยู่นะไม่กลายเป็นซากอิซากปูนไปแล้วก็มีการพูดว่าเนี่ยเป็นพระพุทธศาสนาเราสอนให้ไม่เบียดเบียนนะสอนให้ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เลยทำให้แค้วค่าปลอดภยัยนะถ้าคิดแบบนี้นี่ก็ต้องระวังนะมันจะเข้าตัวได้เพราะว่าถ้าหกว่าเรามองว่าเออพุทธศาสนาสอนไม่ให้เบียดเบียน ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพระพุทลูกก็เลยนะอยู่ยงคงกับพันแลนะ้ถ้าเะนั้นเราจะอธิบายอย่างไรนะกับกรณีพระธาภพนมนะซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของคนทั้งภัยสารเนี่ยพังคลือลงมาเมื่อ40ปีที่แล้วนะ40ปีพอดี น, นเนี่ยเดือนสิงหาเนี่ย11สิงหา18 mm hmm. หลายคนเกิดไม่ทันแต่หลายคนแม้เกิดทันแต่จำไม่ได้ จริงไม่น่าลืมเลือนนะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่มีใครเคยเดียนเรื่องนี้บ้างนะพระพระทัารนมพังคือลงมาถ้าผูดถ้าหากว่าที่ถ า, ากว่าพุทธศาสนาสอนให้ไม่เบียดเบียนแล้วทำให้พระพุทธรูปไม่เป็นอันตรายและทำไมมันถึงเกิดเหตุนี้ขึ้นมาในเมืองไทยได้หรือว่าพุทธศาสนาในเมืองไทยสอนคนเลยแบบกับพุทธศาสนาในเนปาลก็สอนเรื่องเดียวกันนะ ไม่ฆ่าสัตตัดชีวิตงั้นบางทีเราก็ต้องนะเวลาเรามองเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะเราพูดอะไรไปโดยเพราะการไปตัดสินว่านะของเราดีของเขาแย่พนะุทธศาสนาเราประเสริฐพุทธศาสนาร เ, รเราสอนไม่ให้บูชา ย, ยันฆ่าสัตตัชีิตไปไปมองเหตุการณ์แบบนี้เพื่อยกเราให้สูงขึ้นเนี่ย มันก็กลับจะกลายเป็นการนะเข้าเนื้อเข้าตัวเองแล้วก็มีการพูดวันนี้ที่เขาตายกันเนยอะเพราะเขานะไม่รักษาศีลเขาฆ่าสัตว์ตายกันไป5้าห0พัคนอันนี้ก็ต้องระวังกันนะเพราะว่าถ้าไม่ลืมเนี่ยสิปีที่แล้วกเกิดซึ่งมีขึ้นมาในเมืองไทยใช่ไหมตายเท่าไหร่รู้มหมื1น0 0ึคนมากกว่าที่ตายจากแผ่นดินไหวในเ น, นปานเท่าตัวนเวลาเราไปไปตัดสินว่าเนี่ยเหตุร้ายเกิดขึ้นเพราะเขาทํากรรมไม่ดีเอาไวน้น มันก็ย้อนกลับเข้ามามาที่ตัวเราเองนะหรือว่าที่ประเทศของเราไอนะ้เรื่องแผนนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่โอกาสที่จะมามาใช้เพื่อมาดืนยันชี้ชัดที่สุดว่าศาสนาของเราประเทศของเรานะดีกว่าประเสริฐกว่าที่จริงถ้าดูพิจารณาจริงเนี่ยข้าบูชายันฆ่าสัตว์เนี่ยห้าแสนตัวทุกห้าปีเนี่ยดูดีๆนี่มันน้อยกว่ามันเทียมไม่ได้กับที่ คนไทยฆ่าสัตว์กันวันละล้านเป็นล้านตัวนะกินอยู่ถือแม้จะฆ่าสัตว์เพื่อมาเป็นอาหารนะแต่มันไม่ใช่เพื่อความอยู่รอดเราฆ่าสัตว์เป็นล้านตัวทุกวันเนี่ยเพื่อมาปนเปรให้เกิดความมาเด็ดอร่อยอย่างนี้เรากินเนื้อสัตว์กันมากหรือเกินนะจนกระทั่งไขมันเยอะเสร็จแล้วก็ทันยังไนงะก็ต้องไปรีดเอาออกต้องไปเข้าฟิตเนสนะต้องไปออกกําลังกายแต่ว่ามันกินเกินพอดีไปแล้วไม่ได้กินเพื่อความอยู่รอดแต่กินเพื่อความาเด็อร่อยปอนเปร์มากกว่า นันจะไปจะไปว่าชาวในปานนะว่าเขานี่โอ้ยเาขาฆ่าสัตว์เบียดเบียนนะสัตว์มากมายให้เรานี่ชาวพุทธเรานะในเมืองไทยนี่ฆ่าสัตว์กันนะเป็นเป็นล้านเลยทุกวันนะไม่ใช่ทุกห้าปีทุกวั น, นเรื่องนี้นี่เราไม่ค่อยจะหนับเท่าไหร่นะที่จริงคนในปานนี่ก็กินเนื้อสัตว์น้อยมากนะเพราะเขาเป็นฮินดูนะเขากินผักเขากิน ถัวอะไรมากกว่าที่จริงชาวพุทธลังกาชาวพุทธในปานนี้ก็กินเนื้อสัตว์น้อยนะใครไปลังกานี่ก็จะรู้ว่าโอ้อาหารนี่เขามีเนื้อสัตว์น้อยมากแต่นี่เรากินเนื้อสัตว์กันเยอะแล้วเราก็เลยต้องฆ่าสัตว์กันมากมันจะไปจะไปมองว่าเนี่ยเขาปากเพราะว่าเอาควาจริงเราก็เบียดเบียนสัตว์ยิ่งกว่าเขาสิเหตุการแบบนี้เนี่ยถ้าเราถ้าเรามองไม่เป็นนะมันไปเป็นการยกตนข่มท่านเนี่ยนอกจากมันเกิดโทษ กับผู้ื่แล้วนี่มันยังมาเป็นผลเสียต่อตัวเราเองด้วยแล้วก็เอาเข้าจริงจมันก็จะเข้าเนื้อตัวเราไปว่าเขานะเป็นในๆนะว่าเขานะไม่มีศีลนะเขาเหมือนกับว่าศาสนาของเขาดูแย่กว่าศาสนาของเราไหมวัดของเราปลอดภัยวัดของเขานะพังทลายพระพุทธรูปของเรายังอยู่ดีนะอันนี้ เป็นพวกที่ลืมประวัติศาสตร์จริงแม้กระทั่งพระธาตุสาคัญสำคัญอย่างพระธาตุมุตเตาในพม่านี่ก็พังทลายลงมาของพวกนี้เนี่ยมันมันเป็นอนิจจังทั้งนั้นแหละพระพุทธรูปที่ไหนนะพระธาตุที่ไหนนะเมื่อถึงกาลเวลาก็ต้องเสื่อมสลายหรือพอมีภัยพิบัติภัยธรรมชาติก็ต้องพังมันไม่ใช่เป็นเรื่องความประเสริฐแม้พระพุทธเจา้าในประเสริฐสูงสุดนะก็หนีความแก่ ความเจ็บความป่วยและความตายไม่พ้นไม่ใช่ว่าศาสนาใดาสอนประเสริฐแล้วนี่จะยั่งยืนยืนยงนะที่จริงเนี่ยเราเวลาไปยกว่าศาสนาของเราเหนือกว่าเนี่ยลึกๆ ก, ก็คือต้องการบอกว่าเรานี่ประเสริฐกว่าเขาศาสนาของเราตัวเราตัวกูมันดีกว่าเขาอันนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมายกตัวแต่เป็นเวลาที่จะต้องช่วยเหลือเดือดช่วยเหลือผู้ทีทุกข์ยากจะเป็นใครก็แล้วแต่ ต้องช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ไม่ใช่ซ้ําเติมเขาด้วยความคิดด้วยทิฐิของเราอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเวลาเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ต้องวางใจให้ถูกนะจิตจะเป็นกุศลวางใจไม่เป็นนะจิตก็เศร้ามองหรือว่าเกิดอัตราตัวตนมากแล้วก็มันก็ย้อนกลับมาเล่นงานตัวเราเองด้วยโดยไม่รู้ตัว